เห็นนโนยินดีโอยินร้ายเหมันอย่างที่เขาทำเนี่ยแล้วก็เพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยโดยที่เราไม่ได้ตั้งเป้าที่จะบีบเริ่มบีบมันไม่ให้มันแสดงตัวตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันจะตามมันทันนรืตามไม่ทันตามไม่ทันยิ่งเราไปดูหลักอพิธรรมที่เขาเรียนอพิธรรมด้วยแล้วเนี่ย เขาไปเรียนโลภะเท่านั้นดวงโทสะเท่านั้นดวงโมหะเท่านั้นดวงแล้วกิริยาอะไรแสดงขึ้นมากให้เรารู้อันั้นเป็นอันั้นให้เรารู้ว่าอันั้นเป็นอันั้นไม่ไม่ย้อนไประงับต้นต่อของมันเลยแล้วสิ่งเหล่านั้นมันจะชะลอดได้ไงมันไม่เป็นการปฏิบัติไม่เชื่อไปฟังดูเถอะการปฏิบัติจะต้องหยุดมันซะก่อน ไม่ใช่เราไปตามไปตามรู้มันตามรู้มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นกำลังซะก่อนก่อนที่เราจะตามรู้มันเราจะต้องให้ใจของเรามีกําลังซะก่อนเพราะฉะนั้นที่หลว ง, งปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านพยายามเน้นพุโทโธพุโทโธพุทโธให้ใจสงบเพื่อที่จะมาหยุดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นกิริยาที่มันมาเพ่นพ่านในหัวใจของเรา ท่านจึงมาหยุดอันนี้หยุดซะก่อนหยุดกิริยาเหล่านั้นซะก่อนหยุดโดยเอางานอื่นมาทําแทนเอาพุโทโธมาทําแทนหรือไม่เอาลมอานาปานสติมาทําแทนแล้วก็ทำเรื่อยเร็วแรงทำจริงทําจังทำจนจิตได้รับความสงบจนจิตมีกําลังเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเสร็จแล้วค่อยตามค่อยตามรู้มัน ไม่งั้นมันไม่มีกำลังกําลังไม่พอเพียงแต่ ไ, ไปตามรู้มันเฉยเฉยคือกําลังมันไม่มีมันไม่เป็นการเสริมกําลังนะพิจารณาดูให้ดีมันไม่เป็นการเสริมกําลังให้กับจิตของเรานะไม่เป็นการเสริมประเภทคิ ป, ปาพิญญาใช่้ยโยผิวตาระลึกรู้ปั๊บจิตมันก็เป็นไปตามที่ระลึกนั้นได้ เนี่ยนะยุคยุคพระพุทธเจ้านี่ยมีแต่หมายถึงว่าผู้ที่ท่านมีบารมีมากแล้วผู้ที่ท่านมีทุลีอยู่ในตาเบาบางแล้วพอมีพุทธเจ้ามากําหนดเนี่ยเธอจะส่งไปนู่นส่งมานี้ส่งมาตามนี้ส่งมานี้ส่งมานี้สมนี้จิตมันไปตามกระแสธรรมะที่ท่านบอกที่ท่านตรองทรงตรัสน่ยสละจิตมันก็ผ่านไปได้ทะลุไปได้แต่สําหรับพวกเราสุดท้ายปลายปลายยอด ถ้าเปิดถ้าเปิดแตงถ้าเปิดาทู่ว ถ, ถ้าเปิดาแจงโมถ้าเปิดฟักทองก <c oughs> ็เป็นเป็นผลเป็นหมากเป็นผลที่มันอยู่ปลายยอดยอดมันใกล้จะด่วนอยู่แล้วฮน ะ, ะลูกมันไม่ค่อยจะสมบูรณ์อะไรเท่าไหร่นักคือมิจฉาทิฏฐิในหัวใจมันเยอะมันมากเหลือเกินโอกาสที่จะไปกําหนดอย่างนั้นแล้วให้มันหลุดมันเล็ดมันรอดแล้วก็มันร่วงไปได้จากหัวใจเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลำบาก แต่วิธีการที่ถูกต้องที่สุดที่ครูบาอาจารย์ท่านเน้นนี่เราพิจารณาโดยเหตุด้วยผลแล้วเราตามรู้โรพะโอ้เท่านั้นดวงแปดดวงโทสะอีกสองดวงโมหะอีกสองดวงเวลาอะไรเกิดขึ้นทั้งให้รู้อะไรเกิดขึ้นทั้งให้รู้อะไรเกิดขึ้นท่านก็ให้รู้เหมือนกับตามเราตามเราตาม ตามดูกิริยาของมันกิริยาเหล่านั้นมันก็แสดงไม่หยุดทำไมเราจะทำได้ในเมื่อจิตของเราไม่มีกำลังผู้ที่ทำงานที่แ ท, ท้จริงไม่มีกำลังจิตไม่มีกำลังจิตมันไม่อิ่มในเมื่อจิตมันไม่อิ่มกิริยาของความโลภความกโกรธความหลงมันแสดงออกจากจิตมันก็แสดงออกได้ง่ายเพราะจิตมันไม่ได้อิ่มมันไม่ได้มีอารมณ์ของความสงบ เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ไม่ต้องสงสัยแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านให้บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธในช่วงหนึ่งที่เรานั่งเนี่ยอาจจะหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยช่วงแรกเราไปจับตามที่พระพุทธเจ้าท่านจับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านปลุกฝังเข้าไปให้จิตมันอยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธสงบระงับอารมณ์ของราคะโทสะโมหะอ่าราคะก็คือโลภานั่นแหละ ราคะโลภโทสะโมหะความโลภ ก, ก็คือราคะเนี่ยนะพูดถึงความโลภอยากได้ตั้งแต่ของเล็กๆละเอียดตั้งตั้งแต่เป็นวัตถุไปจนถึงนูน่นนามธรรมข้างในไปจนถึงกิริยาความยินดีกิริยาความยินร้ายท่านก็เรียกว่าราคะทั้งนั้นแหละคือความยินดีความกําหนัดความยินดีภาษาบาลี ไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงก็เลยแปลทับศัพท์แต่ว่ามันเอาไปใช้ได้กับกิริยาความอยากตั้งแต่อยากน้ําอยากข้าวอยากน้ําอยากนุ่นอยากนี้อะไรชอบยากอยากอนุนอยากอันนี้อยากมาจนถึงอยากกิริยาอารมณ์ข้างในภายในที่เรียกว่าราคาทั้งนั้นแม้แต่ติดในรูปประชานยินดีในรูปประชานยินดีในอรูปประชาน ในรูปปัสมาบัิในอรู ป, ปรสมาบัิแล้วก็ยินดีในผลของธรรมะที่เราประพฤติได้ปฏิบัติได้ถ้าเรายินดีปับ๊บเป็นราคะทันทีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติเพื่อวิราคะวิราคะให้ประสิทจากความกำหนัดความยินดีที่จะประสิทจากความกำหนัดความยินดีได้จะต้องจิตของเรานี่มีความสงบ แล้วขับต้นดูอารมณ์ที่ละเอียดดูรากเงาเข้ามูลรากเงาเข้ามูลของราคะรากเงาเข้ามูลของโทสะของโมหะละเอียด ล, ยดลึกเข้ไปก็คือโมหะมนนละเอียดแท้ๆเละหลงเหมือนกับมีเส้นผม เ, เส้นเดียวมาบังมาบังดวงตาของเราหนึ่งพอมันบังเลยทําให้ตาเรามอง มองเห็นไม่ไม่ทะลุไม่หมดมองเห็นชัดเจนไม่หมดมีส่วนมีส่วนส่วนปิดส่วนบังถ้าเพื่อจิตทั้งดวงก็ยังมีส่วนส่วนมืดอยู่ยังมีส่วนมืดอยู่มันสว่างยังไม่หมดดวงอาจจะสว่างซีกใดซีกหนึ่งอีกสว่างซีกหนึ่งอีกซีกหนึ่งก็มืดอาจจะเหลือความมืดนินดๆหน่อยๆก็คือสว่างไม่ร่ำเต็มหมดทั้งดวงนัึง ผลของการศึกษาธรรมพระพฤติธรรมปฏิบัติธรรมท่านจึงไม่ให้ยึดยึดละเอียดถึงขนาดนั้นก็เป็นราคะราคากับสิ่งกับของกับของใช้ของสอยของใช้ไม้สอยเกี่ยวกับจตุ ป, ปัจจัยทั้ง4ที่เราใช้เราสอยอะไรแต่ไรนี่ท่านก็เรียกว่าราคะแปล ว, ว่าความกำหนัดความยินดีมละเอียดนะดูไม่เห็นนะดูที่อื่นดูไปที่จิตของเราเราจะเห็น มันเป็นผลิตผลของอะไรมันเป็นผลิตผลของความอยากของตัณหาเนี่ยแหละความอยากมันแสดงกิริยาให้เกิดความโลภพลิกมาอีกอันหนึ่งเกิดความโกรธพลิกมาอีกอันหนึ่งความหลงความรุ่มหลงมันละเอียดไหมเราดูแต่กิริยาความของความโลภกิริยาของความโกรธกิริยาของความโลภกิริยาของความโกรธมันละเอียดไหมกิริยาของความหลง แสดงกิริยาออกไปออกไปภายในจิตความโลภความโกรธเนี่ยสามารถไปเกิดในพรหมโลกได้จิตที่ยังมีความโลภความโกรธอยู่สามารถไปเกิดในรูปรูปประพรหมได้สามารถไปเกิดในรูปประพรหมได้ความโลภ ก, กับความโกรธ ความหลงเนี่ยเลยนั้นไปหมดแล้วเลยนั้นไปไปหมดแล้วยังมีความโลภความโกรธอยู่แต่ยังมียังมียังมีความหลงอยู่แต่ความหลงไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงอไปไม่ถึงพรมสุทาวาสพรมไปไม่ถึง ความโลภ ก, กับความโกรธไปไม่ถึงเหลือแต่ความหลงความหลงยังมีตัวความหลงละเอียดลึกก็ไปในหัวใจคือผลของการปฏิบัติยินดียินดีกับผลรายได้เหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏเหมือนลงตาท่านท่านเทศเนี่ยเหมือนกำนางงามจักรวาลวาน หลงเคลิมในระหว่างที่เราติดนะ่ยหลงเคลิ้มมันนะเหมือนนางงามจักรวาลแต่พอปฏิบัติถึงที่มีกําลังเพียงพอก็สามารถเข้าถึงสมุทัยส่วนละเอียดของมันได้ไอ้กิริยาที่หลงที่เราหลงเพลินไปกับความหลงรุ่มหลงนี่ยที่เห็นว่างามเหมือนนางงามจักรวาลเนี่กิริยาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบกันแล้วก็เหมือนกับทองคํากับขี้ควายกองขี้ควายลูงตาหวานมันต่างกันถึงขนาดนั้นจริงๆ เราะฉะนัอันที่สอของการปล่อยความยินดีความยินร้ายจึงมากกว่าการยึดยึดก็คือติดยึดก็คือติดยึดก็คือติดยึดมากขติดมากยึดน้อยติดน้อยยึดหยาบติดหยาบยึดละเอียดติดละเอียดนั่นจึงให้ปล่อยมิเตอร์ปล่อยมิเตอร์ปล่อยนี่เราพูดเพื่อให้พวกเรามีกําลังใจในการทําจิตให้ได้รับความสงบไปพูดตามหลักที่เขาบางบางคนก็พูด สมถะเสียเวลาสมรรถะเสียเวลาสมรรถะเสียเวลาที่ไหนในเมื่อเรารวบรวบรวมพลังจิตของเราให้จิตของเราแข็งแรงแนบแน่นมั่นคงให้สงบจิตของเราสงบก็คือจิตหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงจิตที่สงบนะมันสามารถหยุดกิริยาของความโลภความโกรธความหลงได้มันหยุดได้ในเมื่อมันหยุดได้มันก็ไม่เหลิงไม่เจิงในหัวใจของเรา จิตของเราก็มีพลังจิตก็มีมีพลังมีแต่ภูมิของความสงบนั้นมันมีอ่ามันมีอนุภาเข้ามันอยู่มันมีรสชาติเข้ามันอยู่มันมีความสุขมีความอิม่มเอิบจึงเป็นเหตุให้เราติดได้ถ้าเรายึดผลอัอนนี้เรายึดผลอันนี้ก็คือเราติดสิ่งสิ่งเหล่านี้เราติดเราติดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นการที่เรายึดผลอันนี้เนี่ มันเป็นการยังติดข้องอยู่ในสมุทัยที่ที่หลวงปู่มั่นพูนว่าถ้าเรายึดสมาธิสมาธกิก็กลายเป็นสมุทัยเรายึดปัญญาปัญญาก็เป็นสมุทยนะถ้าเรายึดปัญญาปัญญาสว่างไสวรอบรู้ทะลุปลุกโรงอายตะไรรายไปหมดเนี่ยถ้าเรายึดคือมันมีตัวมีตนเข้าไปยึดมีเราเข้าไปยึดมีตัวตนเข้าไปยึด พอเรายึดปั๊บเนี่ยติดแล้วพอเรายึดปั๊บเนี่ยติดถ้าจึ่งให้ปล่อยทําจนจนมีกําลังเพียงพอแล้วก็ปล่อยโดยโดยหลักของความอิ่มพอในการพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยของมันนีย่ยเราดูเราพิจารณาหาเหตุผลตรงนี้เราจะเห็นความสําคัญของขอ ง, ของความสงบของเราแค่ความสงบอย่างเดียวนี่ก็ มีผลเมียนิสงเพียงพอจึงเป็นเหตุให้เราติดได้แต่ไม่ใช่เราหววัวหนุกตาบอดเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนเรายึดอย่างนี้เราก็ติดเรายดเายดกาะ อ, อย่างนี้เราก็ติดเราก็ติดเราก็ได้ข้อคิดข้ออ่านแต่ว่าพื้นฐานเราเดินไปตามนั้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ปล่อยคำว่าปล่อยก็คือกำหนดรู้ก็สักเทวะรู้ไม่ยินดีไม่ ไม่ยินดีมันล่วงไปแล้วก็ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่อะไรไม่อะไรเพียงแต่เรานึกเราคิดให้เกิดกำลังใจบางบางการบางคราวแต่ก็รู้ดีใจทัน้นจะให้รู้ท่านท่านให้รู้กำกับเข้าไปอีกเป็นซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆเนี่ยวันนี้เลยพูดธรรมะก่อนเนี่ย เดี๋ยวเยวสีสักหน่อยหนึ่งพวกเราจะนั่งภาวนาไปผู้ได้เห็นความสําคัญของความสงบก่อนไม่ใช่เราปล่อยเพราะจิตเริ่มมีฐานเริ่มมีความสงบจิตเริ่มอยู่ถ้าเราอยากจะพิจารณากิริยาของความโลภความโกรธหรือความหลงนี่มันได้ผลกว่าเราไม่มีขั้นตอนขั้นแรกขั้นตอนนี้ขั้นตอนของความสงบของจิตมีผลมีอานิสงส์ ด้วยเหตุที่ ท, ท่านเจริญสมาธิมีพลังอย่างนี้เองจึงสามารถทําให้กิเลสอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจเนี่ยมันขาดไปได้มันทะลุไปได้มันขาดกันเดนไปได้แต่ตรงกันข้ามไปตามต้อนเหมือนอย่างที่เขาไปไล่อภิธรรมเนี่ยไม่จบตามต้อนไปก็ไม่จบลังเลสงสัยอยู่ในนั้นแหละตามต้อนไปเท่าไหร่ไม่จบตามต้อนไปเท่าไหร่ก็ไม่จบดูไปแล้วมันเป็นการ ดูไปแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่ปฏิบัติมันเป็นการไล่นับมันเป็นการปริยัดลักษณะอย่างนั้นนะ่ะแต่วิชาการความรู้เหล่านั้นละเอียดลึกซึ้งทีเดียวเลยนะเพราะพูดถึงกิริยาการของจิตทั้งนั้นเลยดูที่จิตโลภเท่าไหร่กี่ขนกี่ดวงกี่ดวงคิดโกรธกี่ดวงกี่ดวงจิตหลงกี่ดวงกี่ดวงที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยจิตโลภแปดวง อจิตโกรธสองดวงจิตหลงสองดวงพ่นก็ไปไล่เป็นดวงดวงซะแท้ที่จริงก็คือจิตดวงเดียวนี่แหละจิตดวงเดียวนี่แหละอเราจะออกมาที่ผู้รู้อย่างเดียวเราโมติไปไล่เป็นดวงดวงเราสับสนเราเรางงอีกเรางงอีกเราสับสนอีกเอ๊ะดวงนี้ทําไมเป็นนี้อ้าวดวงนั้นทําไมอย่างงั้นดวงนี้ทําไมแตกต่างกัน กลายเป็นเตะกันไปเตะกันมาอยู่นั้นทั้งๆที่จิตดวงเดียวนี่แหละความโลภมันก็เกิดที่จิตดวงเดียวความโกรธก็เกิดที่จิตดวงเดียวราคะตัณหาก็เกิดที่จิตดวงเดียวนี่แหละอความรุ่มหลงเต็มพื้นเต็มพืชอยู่ในจิตดวงเดียวนี่แหละมันจะมีหลายดวงที่ไหนเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงอท่านพูดถึงรวังระวังจิตเนี่ย ท่พูดถึงผวังขจิตปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตผวังขจิตผวังเจรณะอะไรก็ไม่รู้เลยท่านพูดถึงผวางขาจิตโอ้อท่านพูดละเอียดมากเลยความรู้เหล่านี้มันเป็นภูมิเป็นภูมิของท่านเป็นภูมิของพระสาวกพวกเราไปเอามาเรียนแต่มันละเอียดมากนะ เราต้องใจปฏิบัติสมสถวิปัสนาเนี่ยเราเรียนมันไม่ขัดกันยิ่งทำให้เราเข้าใจดีขึ้นแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นหยุดชะลออยู่ได้จริงๆต้องมาเจริญรอยตามหลักอริยมรรคมีองค์เป็นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบางคนก็บอกว่าโอ้ยเจริญศีลก็เจริญมาพอแรงแล้วไม่เห็นมีกาลังไม่เห็นมีท่าทีว่าจะนนให้เกิดปัญญาสมาธิ สมาธิกับทามานานแล้วเอเจริญสินให้ทานก็ให้มามากแล้วรักษาสินก็รักษามามากแล้วจะไม่เห็นมีที่ ท, ท, ท่าทีว่าจะหมดความโลภจะหมดความโกรธความหลงหมดการถือเนื้อถือตัวอัตตาตัวตนมันหมดไม่ได้มันหมดไม่ได้หดไไดเหมือนกับปไปไล่นับเฉยๆไม่ได้มาหยุดไม่ได้มาชะลอ แต่ถ้าเราหยุดเจ้าชะลอแบบครูบาอาจารย์สอนพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราหยุดโอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็กําลังมันก็อ่อนลงนะนอกจากนอกจากสิ่งเหล่านั้นกําลังอ่อนลงแล้วจิตก็เราก็มีเกาะมีหลักมีที่พึ่องอีกพอรู้สึกเร่าร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็ย้อนมาคหาความสงบปั๊บย้อนเข้ามาสู่ความสงบปั๊บหลบที่เรียว่าหลบเหมือนกับหลบแดดหลบฝนหลบพา ย, ยุหลบสัตว์ร้ายสารพัดหลบ ความสงบนะั่นคือหลบแต่เราหลบแล้วเราก็เวลาปกติเราก็ออกมาทํางานแค่ว่าจิตของเรามีมีที่อยู่มีที่พักพอรู้สึกว่าฝนตกแดดออกมีพายุมาอ้าวหลบหลบเข้าที่พักตรงกันข้ามกับฝนตกพายุแดดออกมาแล้วก็วิ่งเปรี้ยงเปรี้ยง อ, อ, อ้าวลมลมลมอ้าวฝนฝนฝนอ้าวพายุพายุพา ย, พายุไม่มีที่หลบทําไงทําไมมันจะปลอดภัย่ะ แล้วก็การหลบนะในระหว่างที่พายุอ้าวหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอ้าพายุไปเอ้าฝนตกอ้าตกไปนอนหลับสองชั่วโมงมีเรี่ยวมีแรงพอลมหยุดพอฝนหยุดอ้าวไปขุดดินไปตัดไม้ไปดำนาต่อได้เลยมีเรี่ยวมีแรงหรือเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวได้เลยหรือไปฟาดข้าวนี่ยก็ฟาดได้เลยไปหาไปหามไปอะไรก็ทําได้เลยเพราะอะไรเพราะช่วงนั้นเราพักผ่อนเรามีแรง นี่เป็นอุ ป, ปมาเพื่อให้พวกเราเข้า ใ, ใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิเกี่ยวกับเรื่องปัญญาการวิ่งรับรู้อารมณ์หรือสภาพธรรมทั้งหลายที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็คือวิ่งรับกิริยาอาการของตัณหาที่มันแสดงออก อ, อ, กอะไรจะคืออะไรตัณหามันแสดงออกมาอย่างงั้นนั่น มันแสดงออกมาแง่หนึ there, said, you know? you know? no ่งพิษสงของมันก็คือราคะแง่หนึ่งก็คือโทสักมีคนมาขัดขัดคอขัดค้องนี่งโทสัเกิดขึ้นมาแหละแต่โมหะหนุนหลังทุกอย่างราคะโมหะก็หนุนหลังด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบเราจึงเกิดราคะด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบเราจึงเกิดโลภะด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบจึงเป็นเหตุให้เกิดโทสัก ถ้ารู้รอบแล้วจะไม่เกิดรู้รอบหมายว่าเข้าถึงเหตุเข้าถึงปัจจัยของมันอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นสงบระงับไปเหลือแต่ผู้รู้ที่มีกําลังโรูอยู่จนสามารถทําให้สิ่งเหล่านั้นหมดความกําเริบในหัวใจเมื่อหมดความกำเริบก็รู้ว่าหมดความกําเริบที่ท่านเรียก ว, ว่าวิมุตตินะมียานอย่างรู้อีกว่าวิมุตติยา น, นัศนะ รู้ว่าหมดมียาทัศนะรู้ว่าพ้นแล้วลุงตาท่านว่าอันนี้แหละยา น, นนี้แหละเป็นขณะของจิตที่บอกให้เรารู้ว่าเออหมดสิ้นโดยสิ้นเชิงลหมดสงสัยหมดข้องใจหมดสงสัยแล้วเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่เป็นวิมุตติยาณนัศนะคือมียานย่างรู้ตามหลัง หากเป็นโดยเหตุดโดยหลักธรรมชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ผู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าฝุดพอเป็นเรียกแรงเป็นกําลังใจาจากนี้ไปพวกเราตั้งใจเภา ว, วนาให้ใจสงบพอสงบไปแล้วเริ่มปวดเริ่มเกลียเรเริ่มปวดถ้าไม่อยู่ในไม่อยากอยู่ในสงบก็มาพิจารณาความเกี่ยวความปวดที่เป็นเวทนาพิจารณาที่กายแล้วก็พิจารณาที่จิต ย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปไล่ต้อนกลับไปไล่ต้อนกลับมาให้สัต่ว่ารู้สัต่ว่ารู้สัจธาว่ารู้แต่มันมีพลังเพราะเราสั่งสมเอาไว้กุบายน์ท่านจึงเปรียบเหมือนกับว่ามีดเรามันคมมีดเรามคมมีสมาธิจิตแน่นหนามัม่นคงเท่าไหร่ทั้งถือว่ามีดเรานคมพอเราไปทำงานพิจารณา ทานปัญญาเน็ดเหนื่อยมันพิจารณาไม่ขาดพิจารณาไม่ทะลุไม่ชะลวงไม่เข้าถึงเหตุปัจจัยส่วนละเอียดมันก็มีเรามันทื่อท่านถือว่ามาฝนใหม่มาฝนใหม่ก็คือมามาสงบใหม่การสงบเมืันก็เรามาฝนมีได้คมดวงตาท่านเปรียบเทียบด้วยเมื่อเราเน็ดเหนื่อยแล้วก็มาฝนมีได้คมในเมื่อมีเราคมแล้ว เมื่อมีดเราคมแล้วแล้วเรามีเรามีกำลังกำลังคือสมาธิของเราเนี่ยมีกำลังมีกาลังไปฟันใหม่ไปตัดใหม่ไปพาใหม่ถ้าพูดถึงว่าตัดไม้พาฟืนนั่นแหะก็ไม้ดุ่นเก่าฟืนดุ่นเก่ามีดอันเก่านะั่นแต่ว่าเราฝนฝนให้มันรับให้มันคมี่เรากนักสมาถ ขาดไปได้มันมีกำลังมันมีเรี่ยวแรงมันมีความคมปัญญาของสมาธิปัญญาที่เกิดจากสมาธิเป็นปัญญาที่คมปัญญาที่ไม่มีสมาธิหนุนหลังเนี่ยยกเว้นแต่ว่าประเภทคิปป่าพินยาถ้าไม่ใช่ประเภทคิด ป, ปาพินยาแล้วก็ตามตามตน้นแค่ตามต้นเขาก็ตามตอ้นอยากอยู่แล้วตามตามไม่ทัน ไม่พูดถึงว่าเปดตัดให้ขาดตัดขาดไม่ได้กำลังไม่พอนี่อันนี้ก็เป็นเหตุให้พวกเราหลงเข้าใจแล้วก็ถือทำกันผิดผิดถูกๆูเต็มไปหมดแหละมันสำคัญอยู่นะธรรมภาคปฏิบัติธรรมะป่าของครูบาอาจารย์เราเนี่ยสำคัญดูฟังให้เข้าใจมันต่างนะแง่มุมโดยละเอียด ที่หลงปู่มันทันสอนะ่ะที่หลงตาทันสอนนะี่เป็นแง่มุมที่เอียดทีเดียวเลยและเป็นแง่มุมที่เป็นไปได้เอาตั้งใจภาวนาแหละตอนนี้เอาให้สงบก่อนเอาเลยตั้งใจภาวนาทีนี้